Duh. -huh. ที่เราจะได้ฟังธรรมกันการฟังธรรมที่ดีเราก็ได้สาระของการฟังไม่ว่าจะฟัง จะฟังอะไรถ้าเรามีสติในการฟังเราก็อาจจะได้ในเรื่องของข้อคิดและก็ได้นำมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์ ในการที่เราได้ฟังได้รู้ได้เห็นแล้วว่าได้อ่านดังนั้นความรู้เนี่ยก็เกิดได้หลายๆาทางการศึกษาคนคว้าตำรับตำราก็เป็นความรู้อย่างนี่ การได้ยินได้ฟังก็เป็นความรู้อีกอย่างนะแต่ว่าสิ่งทั้งหมดก็ไม่มีอะไรที่ยิ่งกว่าการกระทํฉะนั้นจึงมีคำว่าปริยัติปฏิบัติ และก็ปฏิเวทปริยัติสัจธรรมก็คือศึกษาเรียนรู้จากพระสูตรต่างๆส่วนปฏิบัติก็คือลงมือกระทาอย่างคำว่าศีนคำเดียว ถ้ายังเป็นตัวหนังสืออยู่ก็ศีลก็คือโส อ, อีรอศีลพออ่านเนื้อความเข้ามาศีลก็คือการรักษากายรักษาวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลนีคือ ปริยัตบอกอย่างนี้พ อ, อนักปฏิบัติรู้เสร็จศีลเกิดได้อยังบอกอย่างจะเกิดได้เมื่อเรามีเจตนารักษาศีลแล้วว่ามีการสมทานศีลก็ตาม หรือมีเจตนาในการรักษาศีลอยู่ก็ดีศีลจริงๆก็ไม่ได้อยู่กับพระหรือว่าอยู่กับใครแต่ว่าศีลอยู่ที่เจตนาเมื่อเราตั้งใจที่จะปฏิบัติผู้นั้นก็สามารถกำหนด ในข้อศีลและก็ลงมือประพฤติเว้นเสยยซึ่งสิ่งที่ทำให้ทุกศทผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติศีลทันทีบางคนถึงสงสัยว่าถ้าเราไม่สมาทานศีลกับพระอยู่บ้านวันพระ เรารักษาศีลได้ไหมบอกได้และถ้าสมทานศีลกับพระจะดูดีกว่าไหมบอกทั้งหมดอยู่ที่เจตนาถ้าเราตั้งใจดีถ้ามีครูบาอาจารย์นำพาด้วยกุศลศรัทธาก็มีกำลังมากหรือว่าเรากำลังไม่พอครูบาอาจารย์ก็ชุดให้เราเจริญในกุศล ดีขึ้นแต่ถ้าเรามั่นคงพอแล้วอยู่ที่ไหนไม่ว่าหญิงชายรวยจนดำขาวสูงเตี้ยเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ทุกขณะทุกเวลาของลมหายใจที่เหลืออยู่ดังนั้นใครก็ตามที่ทำไม่ดีผิด หรือสร้างอากุศลกรรมบาปมาทั้งหมดใจเนี่ยร้อนลุกเป็นไฟแล้วก็มีบางคนลุกเป็นไฟแล้วเพราะด้านมองเห็นแต่เรื่องของบาปที่กำลังไหม้อยู่นั่นคือกดกรรม แล้วก็ผลกรรมก็เริ่มปรากฏไม่ว่าจะมาทางด้านกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมบางคนก็โดนทางร่างกายบางคนก็ถูกคำพูดตอกย้ำต่างๆนานาทำให้เกิดภาพลักษณ์เสียทำให้สูญเสียทำให้เสียหาย หรือทำให้ความเชื่อถือหมดไปและบางคนก็เกิดในเรื่องของมโนคือทางใจหลับก็สะดุ้งตื่นตื่นแล้วก็ยังพวาวาไม่มีความสุขชีวิตที่หลับและสะดุ้งตื่น ยามตื่นต้องผวาหันซ้ายหันขวาดูแลเหมือนตัวเองไม่มีความสุขกรรมมันเผาไหมอยู่ในชีวิตของตัวเองน่าสงสารดฉนั้นการปฏิบัติจะมาลงเอ่ยที่ว่าลงมือกระทบ อย่างญาติธรรมพระสงฆ์องค์เนรสมณเนรแม่ชีทั้งหลายนะที่เรามารักษาศีลเจริญสมที่วอบรมจิตปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นเราก็เริ่มมีเจตนากำหนดตั้งแต่เริ่มเริ่มจากศีลก่อน ทีนี้เราเริ่มใช้คําว่ารักษาเมื่อก่อนพวกเราอ่านผ่านไปว่าการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลการตั้งจิตใจมั่นชื่อว่าสมาธิการรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาเราก็จํามาแล้วมันเหมือนอ้อยเรามองรู้ว่าอ้อยนะ มันมีน้ำหวานอยู่มันมีน้ำตาลน้ำหวานอยู่ในอ้อยเนี่ยแต่พวกเราไม่ได้สัมผัสไม่ได้กินไม่ได้คั้นไม่ได้ดื่มไม่มีความหมายเหมือนกับที่พวกเรากำลังลงมือปฏิบัติคำว่ารักษา โยมดูมะพร้าวเนี่ยโยมอยู่ใต้ต้นมะพร้าวได้ลูกมะพร้าวมาแต่โยมไม่รู้วิธีที่จะเอาคำว่ า, ากะทิหรือว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยโยมไม่รู้จากการคั้นหรือว่าการต้มหูหรือเป็นการขั่วก็สุดแล้วแต่เพื่อให้ได้น้ำมัน หรือการคันเพื่อให้ได้กะทิมาและจะมีประโยชน์อะไรถ้าทั้งที่โยมอยู่ใต้ต้นมะพร้าวลูกมะพร้าวก็ตกมาโยมก็มองแต่โยมรู้ว่ากะทิอยู่ในมะพร้าวน้ํามันก็อยู่ในมะพร้าวแล้วเมื่อไหร่ลงมือปอกเปลือกออก แล้วก็ผ่าเอาเนื้อมะพร้าวมาจะทำให้เป็นน้ํามันทำให้เป็นกะทิก็อยู่ที่ผู้เข้าใจตรงนั้นทีนี้การปฏิบัติลงมือก็คือการเริ่มจากรักษา รักษาอะไรที่บอกรักษากายรักษากายตรงไหนไม่ใช่พยาบาลรักษากายตรงนี้ไม่ใช่รักษาความสะอาดแต่รักษากายไม่ให้ก่อความผิดในการละเมิดข้อศีลในข้อใดข้อหนึ่งที่เราตั้งจิต สมทานแล้วก็ตามด้วยเจตนาตั้งแต่เริ่มจากสีลข้อไหนจนถึงข้อไหนเราพิสูจน์ได้ว่าสีลข้อหนึ่งเราทำได้บัดนี้พวกเราเว้นจากการผิดสีนข้อปานาตีบาตเราไม่ได้ฆ่าสัตว์มาเป็นปีแล้วด้วยเจตนาเราไม่เคยกระทําด้วยมือทั้งสอง หรือด้วยวาจารหรือด้วยจิตสังหารเราไม่เคยทำถ้าโยมไม่ทำเจตนาตรงนี้เขาเรียกว่าสำเร็จประโยชน์หรือสำลิดผลบุคคลนี้เป็นผู้มีศีลเป็นรูปธรรมทั้งนามธรรมนี้ได้ครบเขาเว้นจาก การผิดศีลข้อปาณาตีบาตอานดีสงที่จะได้รับในปัจจุบันหรืออนาคตก็คือเป็นคนที่มีอายุยืนอายุยืนแล้วก็สุขภาพร่างกายไม่ถูกโรคเบียดเบียน แต่นั้นคนที่มีร่างกายสุขสบายทุกวันนี้ที่ไม่ถูกโรคเบียดเบียนก็เป็นผู้ที่ไม่เคยทรมานทรกรรมสัตว์ใครที่มีอาการเจ็บเจ็บออดออแอดแอ ด, อ ด, อ ด, อดป่วยหน้าป่วยหลังอยู่จนจะเปื่อยแล้วเนี่ยนะบทจากโรคหนึ่งก็มาโรคหนึ่งบทจากโรคหนึ่งก็มาโรคหนึ่งเนี่ยให้พึงสังวรแล้วก็ให้รู้ว่า ในอดีตของเราเราเป็นผู้ที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์จะเบียดเบียนโดยวิธีไหนก็ตามกรรมก็จะจำแนกโดยอัคตภาพของบิบากผลที่แต่ละคนจะพึงได้รับนี่อานิสงส์และอายุยืนยาวยืนยาวแบบแข็งแรงด้วยนะ ไม่ใช่ว่ายาวแบบนอนเป็นอมภภาพอีกสิบปีแล้วค่อยตายไม่ไหวประโยชน์มันก็ไม่ก่อเกิดอะไรขึ้นมันกับนอนเพื่อมีลมหายใจแต่ชีวิตดำเดินอะไรไปไม่ได้เลยประโยชน์บุญกุศลก็ไม่ก่อให้เกิดได้นี่มันเป็นการใช้กรรมมากกว่า ฉะนั้นคนที่อยู่ด้วยบุญกุศลอายุยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีโรคก็ธรรมดาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคชาาตามอัตภาพฉะนั้นหลายคนที่อายุสัน้นโยมต้องเข้าใจที่อายุสัน้นเราควบคุมมันไม่ได้ไม่ว่าลูกของเรา สามีของเราภรรยาหรือเพื่อนหรือนายหรือเปล่าแม้แต่ตัวเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินว่าต้องอายุยืนหรือสั้นแต่กรรมวิบากเป็นสิ่งบันดาลผลทั้งหมดทั้งยากดีมีจนอายุยืนอายุสั้นใครกำหนด ยมรู้หรือเปล่าอาตมานั่งถกอยู่คำนี้ตอนปฏิบัติอายุยืนอายุสั้นใครกำหนดก็ไม่จบในคำถามหาคำตอบมาบัดนี้อาตมาได้รู้กรรมพอเริ่มใช้คำนี้เป็นปุ๊บ พอได้เริ่มรู้กรรมมันเป็นกรรมของชาตาิสัตว์น้อยใหญ่มีมาตั้งแต่อดีตที่ติดพบมาส่งผลยังสู่ในชาติปัจจุบันและปัจจุบันที่สร้างกรรมก็ส่งผลไปสู่อนาคตทั้งออันใกล้และอนาคตอันไกลอยากเข้าใจว่าอนาคต มันต้องไกลอย่างเดียวนะอนาคตอันใกล้ก็มีในเรื่องของวิบากกรรมไม่แน่ไม่น่นอนก็ต้องดูว่ากรรมหนักกรรมเบาอากุศลมากน้อยเพียงไหนและทำกับผู้ใดด้วยไม่เท่ากันนะทำกับพระอาหารหันต์กับพ่อกับแม่กับพระพุทธเจ้าหนักกว่า ธรรมดาเพราะผู้ที่มีอุปการะคุณผู้มีความบริสุทธิ์ผู้ไม่เบียดเบียนเรานะผู้ที่มีศีลเหลือกว่ามีจิตเมตตกว่าแต่เราไปทำลายทำทำร้ายท่านนะกำหนักเพราะได้ศีลข้อ น, นี้ปุ๊บอานิสง์ของ ผู้ภาวนาปฏิบัติรักษาศีลได้ประโยชน์ละและบางคนบอกฉันก็รักษาศีลแล้วทำไมจึงมีโรคทำไมอายุของฉันจึงจะสั้นแล้วก็โรคร้ายเกิดขึ้นฉันจะต้องตายในอีกไม่กี่เดือน อาตมาบอกไว่าผลกรรมในอดีตส่งผลให้กับปัจจุบันกรรมปัจจุบันส่งผลสู่อนาคตทั้งอันใกล้และอันไกลถ้าชาตินี้โยมไม่ได้สร้างปฏิบัติเลยแล้วมาพบกับชีวิตที่ทุกข์ทปราภามากทุกข์ทรภามาก ก็เป็นเพราะเราได้ทำมาแล้วไม่ใช่ปัจจุบันแต่เป็นอดีตส่งสู่ปัจจุบันแล้วก็โยมถามว่าปัจจุบันฉันทำดีไม่มีอะไรหรือหักหักลางกันบอกมันไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ทำชั่วร้อยครั้งทำดีร้อยครั้งก็เจ้าันไปสิมันไม่ง่ายเหมือนที่พวกเราคิด หนึ 1> 1่งลบหนึ่งเป็นศูน์นั่นมันเลขลบกันได้แต่กรรมดีกรรมชั่วมันอยู่คนเราฟากันสุขติกับทุกขติมันให้ผลไม่เหมือนกันคนทำดีกับคนทำบาปผลก็ไม่เท่ากันที่จะได้รับ ก็จะมีข้อต่างกันฉะนั้นโยมไม่ต้องสงสัยปฏิบัติให้จริงจังคืนวันที่ผ่านไปเราจเจริญสติอบรมศีลให้ได้แล้วผู้ปฏิบัติได้จริงก็เห็นอนิสงส์ของจริงนะโยมจะพบสิ่งที่ดีเรียกว่าสุกติ แล้วจะมีปกติคนที่ไม่อยู่สุขติก็จะอยู่แบบไม่ปกติโยมสังเกตดูหลายชีวิตก่อนตายอยู่แบบผู้ไม่ปกติดิ้นเหมือนปลาที่ขาดน้ำทุกทรมานเหมือนไฟเผารถเกิดเป็นคนครั้งหนึ่งน่ะ ถ้าเราควบคุมชีวิตของตัวเองให้อยู่ในกรอบความดีงามในศีลในสมาธิในปัญญาไม่ได้ถ้าเกับว่าเราไม่ได้เพิ่มทุนอะไรเลยทุนที่พูดเนยมเข้าใจนักลงทุนก็คิดว่าเป็นแค่เงินตรา เอาทองคำเอาเพชรไม่ใช่มูลค่าวัตถุแต่ทุนบุญกุศลหรือว่าทุนที่เป็นบาปกรรมทั้งหลายเนะี่ยทุนเก่าทุนเดิมทุกคนมีกันหมดใช้กันหมดเลยอย่างบาปกับบุญเนะี่ยคุณกับโทษผิดกับถูกดีกับชั่วเนี่ยนรกสวรรค์เนี่ย พวกเรายัางต้องเดินทางกระดิกเยอะอย่าชะล่าใจอย่าไปติดในรถอาหารจนเพลินอย่าไปหลงบารมีว่าตนสุขสบายดีไม่มีปัญหาแตามาบอกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแตามาเล็งเห็นอยู่คนนี้จะตายอีกไม่นาน ไม่กี่ปียังนั่งหัวเราะเริงร่าดีใจสุขสบายทั้งทั้งที่กินบุญเก่าอยู่แล้วเบื้องหน้าในสัมมาปร a ภพทุกกติเป็นอันหวังอยู่ถ้าคนนั้นทราบความจริงโยมเชื่อไหมว่าตกใจยิ่งกว่าตกใจแบบ เห็นสิ่งใดที่น่ากลัวซะอีกเขาไม่รู้ต้กบอกเออคนที่กำลังหัวเราะและมีทุกข์อยู่เบื้องหน้าสุดท้ายมันก็จะบีบคั้นจากเสียงหัวเราะเป็นเสียงที่คืนขมกระทมใจที่สุด น้ำตาก็พรากไหลามาดูให้ดีนะพอรักษาศีลผ่านได้ยมจะไม่กลัวเลยคนที่ไม่กลัวถูกฆ่าเพราะใจไม่เคยคิดฆ่าใครแต่คนที่กลัวที่สุดคือคนที่สั่งฆ่าคนอื่นมาเยอะ ทำผิดต่อชิดผู้อื่นมามากคิดว่าคนอื่นก็ต้องร้ายเหมือนตัวเองร้ายถึงบอกคิดไม่เหมือนกันพระกับคารวะญาติโยมถึงบอกความคิดจิตใจเนะี่ยบางคนนั้นก็คิดเหมือนกันบอกไม่ใช่ถ้าเหมือนกันพวกเราก็ต้องอยู่ในการสร้างกรรมแบบเดียวกันแต่นี้ไม่ใช่ ผู้หนึ่งท่านหลีกเกร้นออกจากชีวิตตรงนั้นมาสู่การภาวนาสำคัญตรงนี้พอรักษาได้ปุ๊บเจตนาดูสีกข้อสอบลงมือกระทํารักษาพอรักษาข้ออธินาทานได้เรื่องทรัพสมบัติทั้งหมด ไม่มีคำว่าทระยศใครหักหลังใครคดโกงใครเย่งชิงของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าโดยวิธีการต่างๆที่ทำให้ผู้อื่นเขาต้องเดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์ด้วยอาการที่ผิดจากครองทำหรือฉชกฉชวยก็สุดแล้วแต่ป้นจี้ก็สุดแล้วแต่ จะวางแผนแนบเนียนแค่ไหนก็ตามสรุปว่าโกงเขาไหมขโมยเขามาไหมเจ้าของเขารู้แล้วเขายินยอมไหมเขาอนุญาตไหมโดยความชอบธรรมไหมก็ต้องดูถ้าใครปฏิบัติได้จะเป็นคนมั่งมีสีสุขทำไมใช้ว่ามั่งมีสีสุข ทรัพย์ที่ตัวเองรักษาอยู่ที่มีอยู่ใครก็ทำลายไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำลายทรัพย์ของใครบุญกุศลอานิสงฆ์เทพก็รักษาด้วยบางคนเก็บทรัพย์ไม่ได้เป็นของรอดบุญไม่พอบารมีไม่มี ต้องได้แค่หาเช้ากินค่ำยมจำคำนี้ด้วยหาเช้าได้เข้าสารเช้ามาหงกินก็นตอนเย็นตอนคำ่ำชีวิตอยู่อย่างนี้ได้จนวันตายไม่มีอะไรดีกว่านี้หาเช้ากินคำ่ำเป็นขั้นตอนไปด้วยความลำบาก อนาคาอดอยากไปไหนบางทีก็ถูกคนขับไล่สยสง่งทังที่เรายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่อากุศลบาปมองเราเป็นคนผิดอยู่ทั้งทั้งที่สิ่งนั้นเราไม่ได้ทำแต่เราได้สร้างชะตาชีวิตอย่างนี้มาเมื่อกำส่งผล หลายคนบอกทำดีไม่ได้ดีคนดีถูกใส่ร้ายมันเป็นชะตาให้โยมฟังคำนี้ด้วยมันเป็นชะตาแต่ไม่ใช่งอมืองอเท้าไม่สู้หรือไม่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเราก็เรียกร้องต่อสู้แต่ที่สุดแล้วผลรับออกมาก็ยังไม่เป็นธรรมก็มี มันเป็นชตาบางคนก็มาอาสาจะช่วยสุดท้ายก็ช่วยช่วยซ้ำเติมก็มีน่าสงสารจนอยู่แบบหมดที่พึ่งสุดท้ายไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากปัญญาของตัวเองเท่านั้นนอกจากจิตตัวเองเท่านั้น นอกจากการกระทำของตัวเองเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งในก้าวต่อไปที่ล้มแล้วตอนนี้แต่สําคัญว่าคนนี้ลุกขึ้นเป็นหรือเปล่ารู้ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ล้มเท่าไหร่ก็เจ็บเท่านั้นบางคนก็ลุกขึ้นไม่ได้สุดท้ายก็จมไปกับธรณี แต่บางคนล้มแล้วเจ็บแค่ไหนก็ยังพยายามลุกขึ้นมาสู้กับชะตาต่อฉะนั้นข้อ น, นี้โยมอย่าลืมถ้าลงมือปฏิบัติได้ใครจะมาเบียดเบียนทรัพย์ของโยมหรือผู้รักษาไม่ได้ไม่ว่าโจรไม่ว่าใครก็เอาไปไม่ได้ คนที่จะคิดทำคนนั้นก็จะวิบัติกับเราแต่เราไม่ได้วิบัติเพราะสมบัติตรงนั้นเป็นบารมีที่เราสร้างไว้อานนี้ทรงของศีลทำให้มีสุกติมีทรัพย์ก็มีอย่างผู้มีสุขศีเลนะสุขติญันติสีเลนะโภคสัมปทานโภคะสมบัติทั้งหลายจะไม่มีความวิบัติ บางคนก็ถูกอวัยมุกทาลายทรัพย์สมบัติติดการพนันเล่นการพนันถูกทายาทเบียดเบียนถูกพี่น้องเบียดเบียนมีหลายวิธีสุดท้ายทรัพย์จะไม่สามารถรักษาได้ชีวิตมีทรัพย์ตรงนั้นก็ ดูแลไม่ได้ชีวิตไม่มีปกติแต่พอซับหมดหลายคนดูเหมือนอะไรอะไรก็ดีขึ้นเรื่องได้ร้ายก็หายไปมันแปลกไม่ยอมบางคนพอเริ่มจะมีเงินเป็นก่อเป็นกรรมหน่อยเรื่องก็มาไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งพอได้ใจซับหมดเออมันดีขึ้น เรื่องร้ายๆมันก็หายไปพอทาท่าจะมีทรัพย์อีกพอจะตั้งตัวได้หน่อยเรื่องร้ายๆก็มาอีกพอหมดตัวเออมันดีขึ้นหลายคนกำลังเป็นเช่นนี้อยู่ถึงบอกสร้างเนื้อสร้างตัวตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งไม่ทันทีมันมีอกุศลแรงกรรมสั์อยู่เงาดำเรามองไม่เห็นเห็นแต่เงาตัวเราเอง แต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงาตัวคือเงากรรมสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแรงกายก็คือแรงกรรมยมจำไหมนะอย่าคิดว่ามีแต่แรงตัวของเรานะยังมีแรงกรรมอยู่อย่าคิดว่าเงาร่างกายของเรามีแค่นั้นยังมีเงากรรมซ่อนอยู่ใครแลเห็นใครได้พิจารณาใครกำหนดรู้ คนนั้นกําไรมากใครที่กําหนดสัมผัสในเรื่องของกรรมวิบากได้แต่มาบอกผู้นั้นคือผู้ตื่นแล้วนะแต่ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นพวกเรายังเป็นผู้หลับอยู่หลับไหลอยู่กับโลกแห่งมายาอยู่หลับไหลอยู่กับโลกแห่งอนิจจาที่ไม่เที่ยงแท้อยู่และสุดท้ายก็จะถูกหลอก หลอกว่าให้รวยหลอกว่าให้สวยหลอกว่าให้เลิศหลอกว่าประเสริฐกว่าใครสุดท้ายชัยชนะไม่อยู่ตรงนั้นเลยเราเหน็ดเหนื่อยเกินไปเราดิ้นรนมากเกินไปเราไม่รู้จักเวลาชีวิตที่มีอยู่ แต่เราใช้เวลาที่มีอยู่ให้หมดไปกับสิ่งจอมปลอมและโยมก็จะได้ชีวิตปลอมๆที่สุดไม่มีความจริงให้เหลืออยู่หลายคนสุดท้ายก็บอกผิดหวังไม่สมหวังและก็บอกไม่ใช่เหมือนที่ต้องการไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เราขาด ดุลพินิจหรือการพิจารณาฉะนั้นถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้โยมจะมีปกติของผู้มีทรัพย์สิทธิ์ได้เท่าไหร่ก็รักษาได้จายทรัพย์ก็มีความสุขมีทรัพย์ก็รักษาทรัพย์ได้อย่างมีความสุขบางคนพอมีรักษาไม่ได้ทุกข์มากบางคนจะใช้ทรัพย์ก็ทุกข์อีก มันมีเรื่องที่ไม่อยากจะใช้ก็ถูกภาคบังคับให้ใช้มันมีเรื่องรามากมายจำไหมที่ชีวิตไม่ปกติดูแลทรัพย์สินอะไรไม่ได้ก็เราเคยเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นมามันเป็นชะตาโยมจำคำนี้ด้วยเขียนไม่ยากมันเป็นชะตา ของใครตมาตอบไม่ได้แต่ละคนก็มีชะตาและก็มีวิถีกรรมของแต่ละชีวิตบางอย่างก็มีแรงกรรมผลักดันให้ให้เป็นอย่างนี้บางอย่างการตัดสินใจก็มีสิ่งที่โดนบันดาลให้ต้องตัดสินใจเช่นนี้ถึงบอกเรื่องทั้งหมด บางอย่างก็อยู่เหนือเหตุผลแต่ชีวิตก็ควรอยู่ด้วยเหตุผลเป็นกรณีไปนะบางอย่างอยู่เหนือเหตุผลแต่ชีวิตทุกคนต้องอยู่ด้วยเหตุผลพวกเราเคารพคำนี้ด้วยพอลงลงมือปฏิบัติศีลจริงจังในข้อาการมเมสุมิชาจาร์ เราไม่ผิดประเวณีไม่ทำลายลูกเมียของผู้อื่นโยมเกิดมาเป็นความสมบูรณ์เกิดเป็นชายก็ชายแท้เป็นหญิงก็หญิงจริงได้ครอบครัวก็ได้ครอบครัวอยา่างมีความสุขความรักที่สัมผัสกันได้สามีภรรยา ความรักที่ถ่ายทอดกันได้ทางจิตวิญญาณสู่ถึงลูกบ้านไม่ร้อนครอบครัวไม่แตกแยกชีวิตน่าอยู่ไปไหนก็คิดถึงครอบครัวอยู่ไหนก็คิดถึงครอบครัวพอนึกถึงมันเย็นนั่นบุญที่เราสร้างไว้ด้วยสีนข้อสาม ย่มไม่ต้องกลัวเลยว่าครอบครัวเราภรรยาสามีเราว่าจะไปทำผิดในเรื่องของประเวณีจนทำให้เราเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาไม่ต้องห่วงขอให้อยู่อย่างผู้ที่ควรสงบและโยมก็จะได้พอ่อนคนนี้ตามประสงค์แต่ไม่ใช่เซมซีที่พูด มันเป็นอย่างนี้ได้ลูกมาก็น่ารักแล้วก็ไม่เกิดทะเลาะในเรื่องของตันหายแห่งกามคุณทั้งหลายเอาว่าตัดทิ้งเรื่องของโทษทั้งหลายในกรรมมคุณได้ยมเห็นแม่บ้านแตกฉลากขาดครอบครัวพิริาสเกิดปัญหาย่อยยับสันตโร ไม่สามารถที่จะคืนดีอยู่กันได้คำพูดคำจาก็เหมือนคำด่าคำสาปแช่งคุณท่านหายหมดเธอจะเธอจะไม่มีสรพนามเปลี่ยนหมดภาษาที่งดงามเปลี่ยนหมดเห็นไหมเปลี่ยนหมดเปลี่ยน จากดอกกุหลาบที่มีความหอมความสวยอยู่ในดอกดอกกลีบมันร่วงหมดที่ถืออยู่ก็คือก้านของกุหลาบมีแต่หนามทั้งนั้นรักษาดีสินถ้ารักษาไม่ดีโยมจะจับเหมือนก้านของกุหลาบแต่ดอกกุหลาบไม่มีมันร่วงหมด เะ่นนั้นครอบครัวของใครที่มีปัญหาแบบปุ่นวายอละเวงไปแบบเรื่องของผัวเมียเย น, นี่ยนะถ้าไม่เข้าใจทะเลาะ ก, กันแตกแยกกันดีไม่ดีถึงตายกันบางคนก็รักเปลี่ยนจากความรักมาเป็นความแค้นก็มี เปลี่ยนจากความอ่อนโยนมาเป็นความแข็งกร้าวก็มีเปลี่ยนจากความสุขที่เคยมีด้วยกันกลายมาเป็นความทุกข์ที่มีต่อกันบอกแม่แสบสันณนศะีลข้อ น, นี้อย่าทาเล่นนะรักษาให้ดีใครผิดไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ชีวิตไม่สาย สายเมื่อตอนที่เราไม่รู้จักทำดีเท่านั้นเองฉะนั้นแม้แต่ลมสุดท้ายอย่างดูพระเทวทัตขนาดถูกธรณีสูบกรรมวิบากกรรมหนักส่งผลไม่สามารถที่จะอยู่ได้แล้วธรณีสูบพระเทวทัต ยังรู้สำนึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศัตรูกับเราแต่เราต่างหากที่ทำร้ายพระพุทธเจ้าทำร้ายพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าฝ่ายเดียวด้วยความโลภด้วยความมักใหญ่ไฟสูงด้วยการต้องเอาชนะเราเป็นผู้ผิดบัดนี้ได้รู้แล้วขอพระองค์ได้โปรดยกโทษ แก่ฆ่าพุทธเจ้าเถิดสุดท้ายก็จมลงสู่ในมหาอาเวจีนรกแต่ด้วยความสำนึกครั้งนั้นจะส่งผลสู่อนาคตอันไกลเมื่อหลังจากชดใช้กรรมวิบากอย่างเต็มที่แล้วพระเทวทัตจะเป็นพระปัจเจก กับพุทธเจ้าในองค์หนึ่งในจำนวนของพระประเจกในอนาคตอันไกลสํานึกมันก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่แตกงอกขึ้นใหม่แต่ถ้าไม่สํานึกมันก็เหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ยังเน่าอยู่ข้างในยังไม่แตกขึ้นมาฉะนั้นสีลข้อสามใครเคยผิดเคยพลาด รู้อยู่ในจิตของแต่ละคนตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่อย่าให้มันสายเกินไปเพราะว่ากรรมตรงนี้ใครแก้ไขแทนเราไม่ได้ตัวเราเองต้องกำหนดชะตาในวันข้างหน้ายมยังมีอยู่แต่อดีตที่ผ่านมามันผ่านไปแล้ว ไม่ต้องไปเยื่อใหญ่กับสิ่งนั้นมากยมลองยืนด้วยขาตัวเองแข็งแรงพอไหมถ้าไม่แข็งแรงดูมันล้มล้มเจ็บแค่ไหนล้มแล้วลุกขึ้นได้ไ้ยลุกไม่ได้คลานได้ไหมลองเริ่มใหม่สักครั้งหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้อยู่ดีกินดีสุขสบายเหมือนที่เราทำผิดอยู่แต่สิ่งนั้นจะไม่ทำ ทำร้ายเราซ้ําเติมแต่สุขสบายตอนนี้จะเป็นสิ่งที่ทำทำลายเราในอนาคตมากกว่าที่เราสุขสบายอยู่ตอนนี้เลือกเอาเลือกเอามันเป็นชะตาของแต่ละคนอาตมาเปลี่ยนชะตาใครไม่ได้แต่บอกถึงวิธีชะตาชีวิตที่จะดําเนินต่อไปเท่านั้นรักษาได้ ถ้ารักษาได้ครอบครัวมีความสุขหญิงแท้ชายจริงไม่ผิดผัวผิดเมียไม่มีเรื่องร้อนใจจิตใจของเราก็มีแต่ความสงบแล้วก็ไว้วางใจมีแต่คิดถึงกันมีแต่คิดช่วยเหลือกันมีแต่ร้อนใจแทนกัน นั่นจึงเรียกว่าครอบครัวไม่ใช่เช้าก็แช่งเย็นก็ทะเลาะค่ำก็ด่ากันโอ้ยนี่มันไม่ใช่ครอบครัวแล้วไม่ใช่มันมันครอบแตกแล้วครัวแตกแล้ว หลายคนครัวกำลังแตกลองครอบใหม่ครอบอยู่ไหมก็กำหนดดูถ้าเกิดปัญหาตรงนี้ถ้าโยมมีคำถามแล้วจะให้ทำยังไงใช้สติพิจารณาให้ดีที่สุดบางอย่างถอยสักก้าวอาจจะอะไรอะไรก็ดีขึ้นหรืออดทนอีกสักนิดบางอย่าง อาจจะเปลี่ยนไปหรือสู้ฝ่าวันไปอีกหน่อยชีวิตอาจจะมีทางเดินมากกว่า น, นี้แตมาตอบไม่ได้ว่าโยมจะต้องทำยังไงจะอยู่ต่อหรือจะถอยหรือจะบุกใช้ปัญญาให้ชะตาชีวิตของเราให้คนอื่นเขาลิขิตและบอกให้เดินตามนี้แตมาบอกมันไม่ใช่ เรื่องมันไม่จบอยู่แค่ตรงนี้มันยังมีเรื่องอื่นอีกและโยจะถามใครต้องเป็นผู้แก้ปัญหาตัวเองที่มีบางอย่างเราไม่ได้สร้างเขาสร้างกรรมเป็นทายาทอย่าลืมกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นผู้ติดตามโยมลืมคานี้ไม่ได้ หลายคนบอกฉันไม่ได้ทำทำไมฉันต้องมารับรู้ด้วยนั่นแหละมันมีเผ่าพันธุ์ทา ย, ยาตติดตามให้ผลอยู่มีอยู่ตรงนี้หลายคนไม่ได้พิจารณาในเรื่องของแรงกรรมและก็เงากรรมพอผ่านข้อนี้ได้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขในครอบครัว และศีลข้อสีมุสาวาทาถ้าใครทำได้หนึ่งคำพูดต่อแต่นี้ไปพูดแล้วมีคนฟังอย่างพระพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าเงี้ยหูฟังยมเข้าใจคำว่าเงี้ยหูฟังแบบไม่ธรรมดาแบบใช้จิตจดจอ่อเงี้ยหูฟังตั้งใจมั่น คำที่จะกล่าวออกมาล้วนเป็นสาระทั้งนั้นเลยนี่คือผู้มีวาจาสัตว์แต่ถ้าผู้พูดแบบตาลปาสัตถ์ก็เป็นสัตว์แยะแล้วตอนนี้แยะเขาหอนกันไปทั่วหมดเยอะแยะแต่ถ้าเป็นคําสัตว์เป็นคําพูดที่มีผู้เคารพ มีพูดเชื่อฟังมีพูดนับถือแช่นยมดูสีลข้อนี้นะหลายคนพูดแล้วลูกหลานก็ไม่ฟังพูดอะไรติดต่ออะไรเขาก็ไม่เชื่อถือดูเหมือนภาษาลโลกว่าเหมือนกับเครดิตไม่ดีหรือเขาไม่ไว้ใจยมสังเกตไหมคนนี้ไปติดต่อเอ้ทำไมสำเร็จ เราสงสัยเขาดีตรงไหนหน้าตาเราก็ดีกว่าทรงผมก็ดีกว่าเสื้อผ้าก็ดีกว่ารถก็ดีกว่าหรือมีเสมอกันทำไมจริงไม่เลือกที่เราเราเสนอเขาเชื่อใจไว้ใจคนนี้มากกว่านะมันมีเหตุแต่เราไม่รู้ว่าเหตุอะไรและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเคารพมันถ้ายมรักษาสัตว์ได้ คำพูดจะศักดิ์สิทธิ์เหมือนวาจาพระร่วงที่เคยได้ยินศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่พูดพร่ำนะคนที่เขามีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาไม่สาบแช่งใครนะและต้องไม่เพิรเจอร์ไม่พูดจาหยาบสอดเสียดนินทาให้ร้ายผู้อื่น ไม่ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นทะเลาะกันคำหยาบหยาบก็ไม่มีถ้ายมรักษาสี่กข้อ น, นี้ได้นะคำพูดคำจาคำเจรจาทั้งหมดจะเป็นที่ยอมรับในภายภาคหน้าฉนันหลายคนพูดจาตอนนี้เหมือนลมปากพูดแล้วเขาก็ไม่ฟังฟังแล้วเขาก็ไม่จำ ถึงจำแล้วเขาก็ไม่ไปปฏิบัติตามไม่ได้ไปสนใจทำไมค่าของคนมันต่างกันขนาดนี้อยู่ที่เราสร้างชะตาตตมาบอกแต่ยิ่งถ้าเรารักษาศีลมาของเก่าดีด้วยโอโหเกิดมาปุ๊บคำพูดตั้งแต่น้อยแต่เด็กมีคนรับใช้ทำตามแล้ว เด็กพูดมีคนทำแล้วเชื่อแล้วพอโตขึ้นมานี่ทุกคนเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะยงคิดดูว่าโอ้โหชีวิตมีความสุขแค่ไหนไต่ที่เรื่องวุ่นวุ่นทุกวันนี้ก็เพราะบอกขวาหันมันหลังหันบอกซ้ายหันมันหน้าหันมันหันไปคนละเรื่องที่เราบอกว่าหันบอกยาทํา ฉันจะตอกย้ำทํำบ่อยๆ บ, บอกพอแล้วฉันจะทําอีกบอกให้ทําฉันไม่สนอยว่าจะมีสุขไหมเนี่ยอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันงานก็ไม่เป็นงานถึงบอกที่ร่วมงานที่ทะเลาะกันทุกวันนี้ที่ไม่ลงเอยกันก็เพราะว่าความเชื่อถือมันไม่มีนี่แต่มาชูประเด็นก่อน ปัญหาทั้งหมดคือความน่าเชื่อถือมันไม่มีความเคารพยำเกรงไม่มีก็เหมือนว่าไม่มีเครดิตไปแปะไปโป้งไปซื้อไปอะไรทุกอย่างไม่มีกขาบอกเงินสดไม่มีเงินสดรูดการ์ดบอกรูดแล้วก็มีแต่การ์ดไม่มีอะไรตามมา ใครจะไปให้สินค้ากับพวกเราสภาพมันก็เครดิตคำพูดเราเป็นเครดิตคำพูดเรานี่เหมือนทองคำนะไม่ไม่ทำบางคนในยมเกิดมาชาตินี้หากินเพียงใช้คำพูดรวยด้วยคำพูดคำจาน่าทึ่งไหม เขาใช้คำพูดคำจาทรมาหากินรุ่งเรืองได้แต่บางคนมีสติปัญญาอานิชลาอีกแบบหนึง่งเขาสร้างด้านปัญญามานิภาวนามาดีขายความคิดขายโครงการได้จนรวยจนมีทรัพย์สินสมบัติมากมายเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการในภายหลัง จึงบอกบางคนน่าเชื่อถือตรงไหนคนนี้ถ้าทําอะไรแล้วเชื่อได้ไว้ใจได้ยมเคยได้ยินไหมคนนี้บอกฉันไม่เชื่อทําอะไรฉันว่าไม่เคยประสบความสําเร็จคนนี้คิดอะไรโอ๊้ไม่ได้เรื่องล้มเหลวหมดคนนี้พูดอะไรโอ้ไร้สาระเห็นไหมถ้าพวกเราได้อย่างนี้เละแสดงว่า ล้มละลายแล้วเครดิตชีวิตกราฟชีวิตตกต่ำลงเรื่อยๆกราบมีแต่ตกลงมาหยุดต้องรักษาให้ได้ปฏิบัติได้พอรักษาได้ปฏิบัติได้เนี่ยเขาเชื่อนะบางคนเขามาใส่ร้ายป้ายสีทั้งบอกโอยฉันไม่เชื่อหรอกคนนี้ฉันไม่เชื่อคนพูดนี่ ฉันมองว่าคนพูดไม่ดีด้วยซ้ำไปจึงบอกว่าเออถ้าเรารักษาศิ่ข้อ น, นี้ได้เราจะไม่เดือดร้อนเรื่องคำพูดและได้ประโยชน์จากคำพูดด้วยกุศลส่งผลให้ชตาชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเราพูดคำสัตย์ขึ้นมาฉะนั้นโยมทบทวนนิดนึงทำไมลูกหลานไม่ฟังทำไมพูดจาสามีไม่เชื่อภรรยาไม่เชื่อเจ้าหน้าที่การงานทุกอย่าง งานเสียก็มีหรือพูดแล้วเขาก็ไม่เชื่อเครดิตก็เสียหายถึงบอกเออเริ่มได้ยังถือถือความจริงมีคำสัตย์ไม่พูดหยาบไม่ยุยงไม่ให้ร้ายไม่สอดเสียไม่ทำลายใครด้วยคำพูดหยุดแต่แล้วจะมายิ่งบอกผู้ยิ่งปฏิบัติธรรมด้วยหยุดเอาคนอื่น มาพูดให้เขาเสียหายพูดให้เขาเดือดร้อนยมรู้ไม่ชะตากรรมเขาเป็นอย่างนี้ยมยังไม่รู้ยังไม่พูดให้เขาซ้ำไปอีกหนักไปอีกลำบากอีกเวรกรรมตกที่คนพูดอาตมาเคยเจอยมพอเจอเสร็จยมบอกพระอาจารย์ยมไม่สบายใจบอกเรื่องอะไรตื่นเช้าขึ้นมายมว่าจะไปทานั่นทานี่ไปสร้างความดีไปสร้างกุศลพอได้ยิน ก็ไอเขาพูดจนโยมขดขูเลยบอกมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรทำไมโยมต้องมารับรู้ไอเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกโยมโยมพูดถูกแต่โยมฟังให้ดีทบทวนเวองสักนิดหนึ่งโยมชอบระบายตัวเองไหมพอเกิดปัญหาก็ยกโทรศัพท์ฮัลโหลเธอว่างไหมฟังฉันหน่อยนะโอ้ไอคนนั้นเขาก็มีทุกอยู่แล้วนะ พูดแท้ใจเขาเป็นไฟไปด้วยเนะี่ยไอ้ น, นีบอกอย่างนี้ฉันก็ไม่ยอมดิไปไปลุยเลยเอา้าวอันนี้เคลิมตามนั่นนะเราพูดอย่างนี้ถามว่าได้บุญได้คุณส่ตรงไหนเปล่าเลยพอเวรกรรมตามกลับมาเราจะได้ฟังแต่สิ่งร้ายๆได้ฟังแต่เรื่องปัญหาได้ฟังแต่เรื่องวุ่นวายถามจริงมีใครเหมาะขั้นโล เธอเจ้าทองคำไหมที่บ้านฉันมีเยอะเดี๋ยวจะแบ่งไปสักสิบกิโลพี่ไหมไม่มีอะฟังแล้วมีแต่ขี้หูไหลออกมาหยุดได้แล้วเรื่องยกหูโทรศัร์เล่าเรื่องคนนั้นคนนี้เจอกันินทากันโดยเฉพาะโยมรักษาศีลนี่พูดแล้วก็ว่าเช่นหน่อยบางคนบารักษาพรวันอุโบสถพราข้าวบทไปมีแล้ว พอสมาทานเสร็จกินเสร็จบางคนก็นั่งตำหมากก็มีนะแต่ยิ่งเป็นคนชนบทนั่งเอาแล้วเรื่องเหรียเรื่องร้านเรื่องลูกเรื่องไปเรื่องมาเรื่องชาวบ้านนั่งคุยไปคุยมาปากเช็ดหมากมันจริงๆนั่นมันศีลตรงไหนทํามาดูศีลเปรตแล้วนั่นบางคนก็รักษาศีลก็นอนยังนั่นศีลหมูแล้ว นอนกลนพรพปทานอยู่ไม่ไหวไปแล้วเหลือแต่เทพรักษาอยู่ฉนะนั้นเราต้องพิจารณาพอมาสี่ข้อสุดท้ายสุราเมรยมมชปมาทัขานาถ้ายอมรักษาไดนะ้สติจะดีเยี่ยมสตังไม่ต้องห่วง และสแต็มจะตามมาคือมีคนคิดถึงเราเพราะคนนี้มีความคิดดีๆคำแนะนำดีๆการบอกชะตาชีวิตล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรเดินทั้งนั้นเลยบอกเพราะอะไรเขาไม่หมอมเมาไม่ถูกมอมเมาชีวิตเป็นคนไม่เมาเนี่ยนะถ้ายมรักษาได้นะโอโ้เกิดชาติหน้าชาติไหน แตมาว่าชนะคนอื่นไปแล้วครึ่งหนึ่งนะเป็นคนที่ไม่เมาชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วครึ่งหนึ่งอย่างน้อยเรียกว่าอยู่อย่างสงบสุขแต่บางคนเมาโยมเชื่อมว่าเราไม่กินนี่เมาแล้วนะแตมาก็นั่งดูเมาอะไรเนี่ยเมาทรัพย์สมบัติเมาลูกเมียเมายศเมาอํานาจเมาชื่อเสียงเมาเกียรต เมา ว, วัตถุแค่นี้เราก็สแสวงหากระจนไม่มีเวลาจะสร้างกุศลแห่งผลกรรมดีแล้วและเกิดมารู้ว่าเราเกิดมาชดใช้กรรมเก่าสร้างกรรมใหม่อาจมาเคยถามเองและเกิดมาทำไมบอกสุดท้ายตอบว่าเกิดมาเพื่อชดใช้หนี้กรรมบิบากที่เคยสร้างไว้และอยู่ไปทำไมอยู่เพื่อสร้างบุญบารมี ในภายพักหน้าเราจะมีความเจริญจนถึงพบสุดท้ายของเราคือความผาสุกอันบริสุทธิ์พวกเราไม่ได้พบความผาสุกอันบริสุทธิ์พวกเราพบผาสุกที่ยังมีทุกข์อยู่มันเหมือนปีนหน้าผานะยยังไม่พน้นมีสิท์ร่วงนะะจรินโยมอย่าพึ่งดีใจยิ่งเอาสิ่งเสพติดสุราไม่ไรเข้ามานะ สติสตังไม่ดีเป็นคนหลงหลมลืมลืมบางคนชาตินี้ก็เหมือนกันจำอะไรก็ไม่ค่อยได้เรื่องความจำสัน้นข้อนี้เมรัยเป็นสิ่งทําลายในภพภูมิของเรานะความจานก็สัน้นคิดอ่านอะไรก็สันส้นๆความรับผิดชอบก็ไม่ค่อยดีมักง่าย บู้วามขาดสติโอ้ยแค่นี้ก็เจ๊งแล้วชีวิตโยมใครไปทำธุรกิจด้วยกันไม่น่าลงหุ้นด้วยกันแย่นะฉันให้โยมประคองสติได้นความจําเป็นเลิศสติสตางการพิจิตรพิจารณาการไข้ครวนเนี่ยละเอียดออก มองเห็นการข้างหน้าที่จะมาถึงบางคนการข้างหน้ามองไม่เห็นยมตมาเปรียบเสมือนไฟฉายคนที่จเจริญสติมาดีเนี่ยมันเหมือนไฟฉายไฟฉายที่หมดแสงแสงลิบหลีก็เหมือนคนประเภทที่จเจริญสติมันน้อยแต่พอคนที่จเจริญสติมาม า, มากเหมือนไฟฉาย ที่มีแสงสว่างมีไฟเต็มชาติอยู่ตลอดพอเปิดนี้ส่งเห็นไกลมองการไกลได้ดีกว่ามองเห็นปัญหาได้ดีกว่าแล้วการแก้ปัญหาก็แก้ได้ถูกจุดกว่าดะนั้นโยมแค่นี้พวกเราก็เมาพอแล้วเชื่อจะมาไหมล่ะถ้าไม่เมาคนจะไปแย่งคิงเข็นข่ากันหรือ ชกต่อยทุกตีกันถึงขนาดลงมือลงไม้กันแล้วเนี่ยควบคุมสติไม่ได้ถามว่าเมาไหมเมาแต่ไม่ได้หมายว่าต้องเมาเล่าขาดสติการเดื่มสุราก็เหมือนกันเน้นตรงว่าพอขาดสติขึ้นมาทุกอย่างไม่เหลือเลยภาพลักษณ์ที่ดีความเรียบร้อยความสุขุมความรอบครอบความน่าเชื่อถือ คำพูดคำใจและหมดพูดอยู่สองสามประโยควนอยู่เนี้ยคุณเข้าใจไหมแล้วคนเข้าใจว่าไงคุณเข้าใจใช่ไหมผมก็เข้าใจแล้วคุณเข้าใจไหมหมดไปควรแล้วคุณเข้าใจกัว่ายัางไงกฎที่สองหมดอีกแล้วคุณเข้าใจคุณก็บอกผมสิกฎที่สามแล้ว แล้วที่ผมพูดผมก็ยังไม่เข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจได้ยังไงกดที่สี่ก็เลิกแล้วโยมหมดแล้โยมเชื่อไหมข้อความเหล่านั้นภาพลักษณ์ที่เห็นความประพฤติไหมเปล่าฉะนั้นศีลข้อนี้ผิดข้อนี้เนะี่ยข้ออื่นผิดได้หมดเลยพอกินขาวสติฆ่าคนก็ได้ ขับรถค่าตัวเองก็ได้นอนไหนยังไม่รู้บางคนภัยพิบัติตามมาก็ไม่รู้คำพูดคำจาพูดไปล่วงเกินใครก็ไม่รู้เสียหมดเพราะขาดสติทำได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าจะทำอะไรน่ากลัวนะฉะนั้นโยมถ้ายอมลงมือปฏิบัติรักษาจริงๆ วันนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลกายวาจาเรียบร้อยไม่ต้องห่วงถึงโยมจะเดินแบบไหนก็ตามคนนี้คือคนเรียบร้อยอยู่ที่ไหนไม่สร้างโทษภัยให้กับใครเป็นมิตรที่น่าคบที่สุดแล้วไม่หักหลังไม่ทรยศนําเพื่อนไปที่ดีด้วยนําครอบครัวไปที่ดีถึงเขาไม่ร่ารวยนะ แต่เขาพาให้เรามีความสงบสุขได้ควรเลือกชีวิตคนนี้มากกว่าคนร่ำรวยแต่ความประพฤติเลวร้ายฉนันยมต้องรักษาพอรักษาได้ต่อให้โยมอายุ6กสิบเจ็ดสิบนะความหลงลืมมันน้อยมากบางคนอายุแค่หกสิบเนี่เอาแล้ว เกาหัวแล้วเอพเช็ดตัวอยู่ไหนนะเมื่อกี้ฉันก็ถือมาอยู่นะเอยอยู่ไหนเนะี่ยไปเปิดดูในตู้เอ้ในตู้ก็ไม่มีอยู่ไหนนะเนี่ยเอมันหายไปไหนหรือใครขโมยไปเดินวนอยู่สุดท้ายนี่พกเกาหัวพระเชตตัวพกที่หัวเรียบร้อยแล้ว ใครจะไปหาให้ได้แนตะ่มนอยู่็นหัวแล้วนะถูกไมโยมบางคนหนักกว่านั้นอีกลูกป้อนข้าวเสร็จยังใหม่เลยไปข้างบ้านบอกหิวข้าวลูกไม่ให้กินสามมันแล้วนะอดไอ้โน ก, ก็บอกแม่ลูกใจดำเหลือเกินดูดี่อยู่สุขสบายปล่อยให้แม่ลำบากที่ไหนได้ข้าวยังติดปากอีกเลยเนะี่ย ไอคนที่ฟังก็ไม่พิจารณานะโอ้พอเรื่องทราบถึงลูกเหมือนอยากพาแม่ไปอยู่โลกส่วนตัวคืออนาถาทัเลยจบน่าเบื่อนะถ้าชีวิตของโยมอายุมากขึ้นมากขึ้นเป็นอย่างนี้ใครก็ไม่เลี้ยงแล้วยกพอทานเสร็จลืมชักโคกเนะี่ยตายเลยหมดหมดจริงๆนะ นั่งพูดกับหน้ากับหลังพูดอะไรก็ไม่รู้สุดท้ายเป็นคนที่ไม่มีสติหน้าเป็นห่วงนะจนันแต่ถ้าเราได้เจริญนะรักษาให้ดีและยมหลีกเล่ น, นจากสีลข้อห้าด้วยนะอาตมาเชื่อถึงชาตินี้เราไม่ฉลาดเฉลียวเหมือนคนอื่น แต่ในภายภาคหน้าเราไม่ตกต่ำกว่าเดิมอาตมาชอบคํานี้นะพอปฏิบัติทำอาตมารู้เลยกําหนดจิตเองบอกเราจะไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมาทุก์ที่มีทั้งหมดก็ไม่มากกว่าทุก์ที่เคยทุกมาแล้วฟังแล้วก็ชื่นใจตัวเองกําหนดจิตตัวเองบอกเออใช่ ทุกข์ก็ไม่มากกว่าที่เราเคยทุกข์มาแล้วเราจะไม่ตกต่ำกว่าชาติที่แล้วมาเหมือนกันโยมพยมภาวนาถึงจุดและยมจะเข้าใจแล้วจิตมันจะบอกโยมเองใชไม่ว่ายานที่เกิดสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพอเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตดวงนี้แหละเป็นของวิเศษที่สุดไม่งั้นเขาจะอยู่เหนือโลภโกรธหลงไม่ได้ แต่ว่าเป็นของวิเศษมนุษย์ทุกคนไม่อยู่เหนือโลภโกรธหลงบุตรชนทั้งหมดตกอยู่ใต้อำนาจของโลภโกรธหลงแต่วันในวันหนึ่งถ้าเราถึงจุดนี้แล้วไม่ธรรมดาก็ยมดูพระเหันพพุทธเจ้ารู้มาจากไหนละ่ะรู้มาจากไหนเห็นแจ้งรู้จริงมาจากไหนอย ไม่ใช่อ่านตำราตอนนั้นตำราพุทธศาสนายังไม่มีพระเดเจ้าเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาเป็นผู้ประกาศธรรมขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นมาจากไหนจิตในจิตที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วธรรมในธรรมที่พระ อ, องค์แจ่มแจ้งแล้วหมดความสงสัยรู้แจ้งเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริง จิตใจนั้นก็พ้นจากความเศร้าหมองจากสาสวิกิเลสทั้งหมดฉนันยมรักษาให้ดีนะลงมือปฏิบัติให้จริงจังแต่มาบอกว่าสามวันเจ็ดวันห้าวันเก้าวันเนี่ยได้ผลเกินคาดต่เอาให้จริงนะแล้วก็หยุดเรื่องเอาคนนั้นคนนี้มาให้ร้ายกันพอละเรื่องไม่ดีของคนอื่นไม่ใช่ธุระที่เราต้องเอามาพูด คนอื่นเอาเรื่องเราไม่ดีไปพูดเราก็ไม่พอใจแล้วมันก็เป็นบาปกรรมเราด้วยมันเป็นชะตาของเขาอยู่แล้วและเราไปพูดบางทีทำให้เขาเสียหายหนักไปอีกมันก็ไม่ดีสู้เรามองสิ่งดีๆแล้วก็น้อมเข้ามาใจเราก็จะได้แต่สิ่งดีๆเข้ามากินยังเลือกกินชีวิตทำไมไม่เลือกสิ่งดี ให้กับจิตใจให้มีความสุขละเอานะสมควรเวลาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเถิด